วันนี้เป็นวันพระรหัสที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพัน5้าสเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันจกักรีเป็นวันที่ทำให้สาธุชนพุทธบาลสัต ได้มีเวลาว่างจากการทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่างนี้มาให้กับการทำภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับชาวพุทธเราไว้กระทำกันภารกิจหรือธุระ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับชาวพุทธเหล่านี้มีอยู่สองภารกิจหรือสองธุระด้วยกันคือหนึ่งคันธะธุระและสองวิปัสสนาธุระนี่คือเป็นภารกิจที่พระพเจ้าทรงมอบให้กับชาวพุทธเพื่อที่จะได้นําพา ชาวพุทธที่ได้ทำภารกิจอันนี้ได้รุ่ร่วงไปได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังลุมเล้า <c oughs> จิตใจของสัตว์โลกอยู่ <c oughs> เป็นการศึกษาและเป็นการปฏิบัติคำว่าคันทะทุระนี่ แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิปัสสนาธุระแปลว่าการทําให้แจ้งด้วยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเพราะว่า ไม่มีใครอยากที่จะมีความทุกข์ใจกันแต่ความทุกข์ใจมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่มีกันพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือฟังอยู่ที่ที่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆนี้ต้องมีความทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อย แล้วก็มีมาอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยมีมาตั้งแต่วันเกิดจนไปถึงวันตายแล้วก็ยังไม่จบที่ตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายสิ่งที่ตายคือร่างกายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ ไม่ได้เป็นที่รับรู้ของความทุกข์สิ่งที่ตั้งอยู่ของความทุกข์สิ่งที่รับรู้ความทุกข์นี้ก็คือใจใจที่ไม่มีวันตายใจที่ยังจะต้องอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็ต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไป เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดอยู่ในสถานภาพที่ปราศจากร่างกายเช่นเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณของพรหมของเทพของเปรตของอสุรกายหรือของนรกล้วนจำเป็นจะต้องเจอกับความทุกข์ด้วยกันทุกชนิด วิญญาณทุกชนิดเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วความเสื่อมของดวงวิญญาณจากสถานภาพต่างๆก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะได้มาเกิดมามีร่างกายมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทุกแบบใหม่แบบนี้อีก ในรอบใหม่อย่างที่เรากำลังทุกกันอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้นี่คือสถานภาพของจิตใจของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์ของวัฏสงสารหรือสังสารวัฏซึ่งเปรียบเหมือนเรือนจำที่กักขังสัตว์โลกทั้งหลาย ยกเว้นผู้ที่ได้หลุดออกจากนุนจำเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้ น, นี้ถือว่าเป็นนักโทษที่ถูกกักขังอยู่ในคุกตารางของสังสารวัฏของไตรภพนี้ รายพบนี้ก็ได้แก่กามาพบรูปพบและอรูปพบนี่เป็นที่กักขังสัตว์โลกชนิดต่างๆไว้กามาพบก็คือที่อยู่ที่กักขังของสัตว์โลกที่ยังเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผทพชชนิดต่างๆเชน่นมนุษย์<ม>เดลชาญ หรือพวกที่เป็นดวงวิญญาณก็วิญญาณของพวกเทพหรือของพวกเปรตของอสูรลลกายหรือของนรกนี่คือสัตว์โลกที่ยังเสกกรามกันอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ในการามมาพบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติดผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดใดมักจะต้องกลับไป หายาเสพติดชนิดนั้นถ้าติดกัญชาก็จะต้องไปหากัญชามาเสพติดยาฝิ่นก็ไปหายาฝิ่นมาเสพหรือติดสุรายาเมาก็ต้องกลับมาหาสุรายาเมาหรือพวกที่ติดพวกการดูการฟังการกินการดื่มอะไรต่างๆก็จะกลับมาหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ ซึ่งสิ่งต่างๆางเหล่านี้ก็อยู่ในกรอบของการมคุณห้านั่นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสผพถพะทุกสิ่งยาเสพติดทุกชนิดหรือสิ่งที่สัตว์โลกที่อยู่ในการมาพบนิเสกกันนี้ล้วนเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผพถภฉะนั้นทั้งนั้นแม้แต่ของที่ไม่ได้ถือว่าเป็นผิดกฎหมาย แต่ทางรำก็ยังถือว่าเป็นสิ่งเสพติดอยู่เช่นกาแฟเ<ม>ช่นเครื่องดื่มชนิดต่างๆขนมนมเลยชนิดต่างๆอาหารข้าวหวานชนิดต่างๆที่กินด้วยความรักกินด้วยความชอบเสพด้วยความรักเสพด้วยความชอบถือว่าเป็นยาเสพติดทางทมทั้ทงนั้น เป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้จิตใจนั้นต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆมาเสพมันอยู่เรื่อยๆ mm hmm. จึงไม่หลุดออกจากกามภพบนี้ไปได้ mm hmm. นี่คือสัตว์โลกที่เป็นเหมือนนักโทษอยู่ในในกามภพบ mm hmm. ถ้าเปรียบเทียบกับคุกตารางนี้ก็ มีแบ่งเขตไว้สามเขตหรือสามแดนด้วยกันกามมาพบนี่ก็เป็นแดนหนึ่งไว้ขังนักโทษที่เสกกลามเพราะในแดนนี้จะมีรูปเสียงกินลดให้เสกกันส่วนแดนที่สองนี่เรียกว่ารูปภพและเดือนที่สามแดนที่สามเรียกว่าอารูปภพรูปภพก็เป็นที่สัตว์โลกที่ การเสบรูปประชานคือพวกที่ชอบนั่งสมาธิเข้าสมาธิเข้าไปในฌานขั้นอรูปรูประชานที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันรูปประชานหนึ่งรูปประชานสองรูปประชานสเป็นต้นและอีกแดนหนึ่งก็เรียกว่าอารูอรูปภพที่อยู่ของพวกที่ติดอรูปประชาน รู ป, ประฌานก็คือสมาธิที่ละเอียดที่สงบกว่าขั้นรูปฌปานที่มีความสุขมากกว่ารูปฌปานแต่ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดเหมือนกันเพราะเมื่อได้เสพความสุขแบบนี้แล้วก็จะติดกันก็จะเสพไปแล้วก็จะกลับมา เกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่กำลังของชาญเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาเสบรูปประชาญอารูปประชานใหม่มนี่แหละทาไมมนุษย์เราจึงมีหลายชนิดด้วยกันหลายแบบทำไมบางคน อ, อยู่เป็นผู้ครองเรือนอยู่กับสามีภรรยา อยู่กับการเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆทำไมบางคนไปเป็นนักบวชกันแล้วก็เปลี่ยนวิธีเสบความสุขแทนที่จะเสบกามคือรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะก็ไปเสบรูปประชานกันหรือไปเสบอารูปประชานกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ทำ ม, มา อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั่นเองใครที่เคยเสพอะไรก็มักจะกลับมาเสพสิ่งที่ตนเองติดอยู่เหมือนกับคนที่ติดสุราก็มักจะต้องไปหาสุรามาดื่มคนที่ติดยาเสพติดยาบ้ายาอะไรต่างๆก็จะไปหายาเหล่านั้นมาเสพคนที่ติดการเที่ยว ตามสถานบันเทิงต่างๆ mm hmm. ก็จะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ mm hmm. คนที่ติดสถานที่ท่องเที่ยว mm hmm. ไปที่สวยๆงามๆ ม, mm hmm. มีบรรยากาศน่มเย็น mm hmm. เห็นแล้วสุขใจสบายใจเพลิดเพลินใจ mm hmm. ต้องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ mm hmm. ที่ไม่เคยไป ทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศพวกนี้ก็จะติดแล้วก็จะไปสถานที่เหล่านี้อยู่เรื่อยๆตายไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเสพอย่างเดิมนี่แหละคือเรื่องของสัตว์โลกที่ติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายภพติดอยู่ติดอยู่ก็เพราะว่า สิ่งที่ติดนั้นมันดึงดูดใจเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันทรมานใจวิธีแก้วความทรมานใจก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากจะเสพมาเสพนั่นเองนี่คือนี่คือเหตุที่ทำให้สัตว์โลกยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากเสพกามก็จะพาให้มาเกิด อยู่ในการมาพบโรคที่อยากจะเสบรูปประชานก็จะกลับมาเกิดในรูปในรูปประพบผู้ที่เสบรูปประชานก็จะกลับไปอยู่ที่รูปปรูปประพบแต่ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในภพต่างๆ การจะไปรูปภพได้ก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นนักบวชมาเข้าสมาธิเข้าฌานเข้ารูปฌานกันพอตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรู ป, ปภพเช่นพวกที่จะไปอรู ป, ปภพก็ต้องมาปฏิบัติสมาธิให้ได้ระดับอรูปฌานแล้วก็จะไปสู่อรู ป, ปภพ แต่ไปได้แล้วไม่ช้าก็เร็วพอฌานที่ได้ไปนั้นเสื่อมไปหมดไปก็ต้องถักกลับมาเกิดเป็นกะกะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาบวชใหม่ส่วนพวกที่ติดกับกามติดกับกามคือรูปเสียงกยลิ่นรสก็จะอยู่ในกามะภพหลังจากที่ตายจากการเป็นมนุษย์ก็ จะไปเป็นเทพบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นน ส, สุรกายบ้างเป็นนรกบ้างหรือเป็นเดรัจฉานบ้างสาเหตุที่ทำไมถึงดวงวิญญาณของผู้เสพกามจึงมีต่างกับต่างกันไม่เหมือนกับพวกที่เสบรูปประชานหรืออรูปประชานก็เพราะว่าการกระทาที่ใช้ในการเสพการามนี้ต่างกันนั้นเอง พวกที่ใช้การเสกกรมด้วยการกระทําบาปต่างๆก็จะเป็นพวกที่จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณในอบายไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกหรือถ้าไปได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่คือพวกที่เสพกรมทั้งเดรัจฉานก็เสกกรมเปรต ก็เสษการอสุรกายก็เสกการสัตว์นรกก็เสษการแต่วิธีเสกการของเขานั่งเสกด้วยการกระทำบาปเช่นทำบาปด้วยความหลงก็จะพาให้ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกาย แ้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกไปเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าเสพบาถ้าเสพกามด้วยการไม่กระทําบาป<ม>ก็จะไม่ไปอบาบัยเวลาตายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มแล้วถ้าได้เซถ้าได้แบ่งแบ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้แก่ผู้นั้นถ้าได้ทําบุญทําทานได้ช่วยเหลือผู้นั้น เวลาตายไปก็ไปเป็นเทพก่อนไปสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเสพการใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสมามาทำบุญทำบาปกันใหม่นี่คือทำไมเราจึงมีสัตว์โลกชนิดต่างๆมีทำไมถึงมีมนุษย์ทำไมถึงมีสัตว์เดรัจฉานทำไมถึงมีเปรตมี อสุรกายมีสัตว์นรกทำไมถึงมีเทวดาทำไมถึงมีพรหมรูปประพมหรืออารูปประพมก็เพราะว่ามีการกระทามีการเสพความสุขในรูปแบบต่างตั้งกันนั้นเองแต่การเสพความสุขเหล่านี้มันก็อยู่ในกลงของสังสารวัฏ อยู่ในคุกตารางของสังสารวัตรคือเป็นนักโทษอยู่ในคุกตารางจะมีคนบางคนที่ฉลาดที่รู้โทษของการเสพการเสพรูปประชานและอรูประชานว่าเป็นเหมือนเสพยาเสพติดเสพแล้วจะติดจะต้องติดอยู่ในภพ ของการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคนที่ฉลาดนี้นานๆานจะมีเกิดมาสักครั้งหนึ่งสักคนหนึ่งที่เห็นโทษของการติดอยู่ในในใจพบติดอยู่ในกางติดอยู่ในรูปปัจจานและติดอยู่ในรูปปัจจานคนคนนั้นเราเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปเจ ก, กับพุทธเจ้า คนคนสองคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ว่าเสพกลางไม่ได้เสพกามแล้วจะต้องติดอยู่ในกางมาพบเสพรูืประชานจะต้องติดอยู่ในรูปภพและเสเปลารูปประชานจะต้องติดอยู่ในอรูปภพถ้าไม่อยากติดอยู่กับตายภพ<ม>ก็ต้องไม่เสพไม่แสวงหาความสุขยาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตายภพนั่นเอง <Yeah. S 1> อันนานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าคือได้พบสัจ ธ, ธรรมความจริงได้รู้ว่าการติดอยู่ในกลางกองการติดอยู่ในตายภพนี้เป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเกิดจากความอยากจะเสพการเสพรูปปัจจานะเสพบรรลุปัจจานี้เอง ถ้าอยากหลุดพ้นจากกองทุกนี้ก็ต้องละการเสพรูปประชานอารูประชานเสพกามต้องตัดความอยากที่จะเสพกามคือกามมตันหาต้องตัดความอยากที่จะเสเพรูปประชานคือภาวะตันหาและต้องตัดหนื้อละการอยากจะเสเอรูปประชานก็คือความอยากที่เรียกว่าวิภาวะตันหา ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้และกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาและการที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้ความอยากทั้งสามชนิดด้านนี้ต้องอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่ามัชมัชที่พู้เจ้าได้ส่งคนพบที่ได้ส่งปฏิบัติ ด, ด้วยพระองค์เองมาจนทำให้พระองค์ได้ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เรียกว่ามรรคซึ่งพระ อ, องค์ทร ง, สงแสดงโดยโดยย่ อ, อว่าคือทานศีลภาวนา<ม>นี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติ ทำสามข้อนี้ทำสามขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานขั้นที่สองเรียกว่าศีลขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาจ<ม>ึงจะมีกำลังที่จะไปสู้กับความอยากสู้กับกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้<ม>ถ้าไม่มีกำลังถ้าไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเนีย จะไม่มีกำลังที่จะไปหยุดกามาทันหาภาวะทันหาหรือวิภาวะทันหาได้จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคุกตารางของสังสารวัตรคือตายภพนี้ได้เลยนี่แหละคือที่มาของภาระของธุระที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กับชาวพุทธเราถ้าชาวพุทธเราปรารถนาการหลุดพ้น จากกองทุกของสังสารวัฏคือถ้าอยากจะออกจากคุกถ้าเป็นนักโทษเนี่ยถ้าอยากจะออกจากคุกนี้นานๆนจะมีคนฉลาดมาค้นพบทางที่จะทําให้นักโทษที่ติดอยู่ในคุกนี้สามารถออกจากคุกได้คือไปเจอรูโวของกําแพงที่ไม่มีใครเห็นที่ถูกซ่อนหรือถูกปิดบังด้วย ของของของบทบางเช่นอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าตรงนั้นมีรูโว่ถ้าใครไปรู้ว่าตรงนั้นเป็นรูที่เจาะทะลุ ก, กำแพงที่ขังนักโทษไว้อยู่ได้ถ้านักโทษคนไหนได้พบรูนั้นแล้วก็นักโทษคนนั้นก็สามารถที่จะ นีออกจากคุกจากตารางไปได้แล้วนักโทษคนนี้ก็เป็นนักโทษที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ mm hmm. ชอบแชร์กันมีอะไรก็แชร์กัน mm hmm. พอได้พบช่องที่ทะลุกำแพงออกไปได้พอได้ออกไปแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าช่องนี้นำไปสู่อิสรภาพ mm hmm. ก็จะกลับมาบอก พวกที่ยังติดอยู่ในคุกตารางอยู่ว่าถ้าอยากจะออกจากคุกนี้เราเจอทางแล้วนะเราเจอช่องที่เขาเจาะที่มีเจาะในไว้ในกำแพงที่ไม่มีใครรู้เพราะมีการปิดบังซ่อนเล่นไว้อย่างแยบยนถ้าไม่ฉลาดจริงๆไม่ขนขวายจริงๆไม่ศึกษาหาจริงๆจะหาไม่เจอ แต่ตอนนี้เราได้เจอแล้วพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราว่าพวกเราที่เป็นนักโทษที่ยังติดอยู่ในคุกตารางอย่างนี้เราได้เจอรูที่เจาะอยู่ในกําแพงช่องทางช่องที่เราสามารถใช้เดินออกจากคุกตารางนี้ไปได้อย่างสบายถ้าเธออยากจะไปไปกับเราทําตามที่เราบอก เรามีแผนที่ <Yeah. S 1> ที่จะพาให้เธอได้ออกจากคุกตราดได้ mm hmm. ถ้าใครเป็นนักโทษถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วไม่มีใครที่อยากจะปฏิเสธอแต่ปัญหาของนักโทษที่ติดอยู่ในสังสารวัตอย่างพวกเรานี้ mm hmm. ก็คือ mm hmm. พวกเราไม่รู้กันว่าเราเป็นนักโทษกันเ mm hmm. พราะเราคิดว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีอิสระภาพ สามารถทำอะไรตามความต้องการของเราได้ mm hmm. อยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรสามารถทำได้ mm hmm. อยากจะไปไหนมาไหนสามารถจะทำได้ mm hmm. ก็เลยคิดว่า mm hmm. ตัวเองนี้ไม่ได้เป็นนักโทษ mm hmm. เป็นคนที่มีอิสระภาพ mm hmm. สามารถทำอะไรได้ตามที่ต้องการ mm hmm. แต่เพราะว่าคิดด้วยความรอบครอบไม่เป็นว่า ตอนเองนั้นถึงแม้จะอิสระภาพมีอิสระภาพทาอะไรต่างๆก็ตามแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่เหนือหรือเป็นอิสระภาพสิ่งนั้นได้จากสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นก็คือความทุกข์ใจนี้ที่พวกเราทุกคนนี้ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆยังหนีไม่พ้นหนูพ้นจากความทุกข์กันไม่ได้ เพราะเมื่อถ้ามาเริ่มมาเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องเจอความทุกข์ทันทีทุกจากการแก่ที่จะตามมาทุกจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากการตายทุกจากการที่ต้องพัดพากจากบุคคลหรือของที่เรารักเราชอบเหนือทุกขกับการที่จะต้องพบปะกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบ หรือสิ่งของที่เราไม่ไม่ปรารถนาไม่ไม่ต้องการจะพบอันนี้แหละคือทุกคือที่เป็นผู้ที่อ่าเป็นกักขังพวกเราอยู่พวกเราถูกความทุกข์กักขังเราอยู่เราติดอยู่ในคุกตารางของความทุกข์ถ้าไม่คิดยังไม่รู้ ต้องใช้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาคิดนั่นเองพระพุทธเจ้านี้ชอบถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทุกข์ใจทั้งๆที่เรามีอะไรมากมายเรามีทรัพย์สมบัติมีประสาทสามฤ ด, ดูมีภรรยามีครอบครัวมีมีสถานภาพเป็นกษัตรเป็นราชโอรสแล้วทำไมเรายังต้องมามีความทุกข์ใจ ทำไมเวลาเราคิดถึงความแก่เราถึงทุกข์ใจนะทำไมเราคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจึงทุกข์ใจทำไมเราคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพากจากกันนี้ทำให้เราต้องทุกข์ใจ<ฮ>นี่พระองค์อยากจะรู้ว่าทำไมจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์นี้จึงต้องดิ้นรนค้นหาคําตอบ ก็ได้คำตอบแบบแบบไม่ไม่เต็มร้อยเป็นคำตอบที่พอที่จะเชื่อได้ว่าเป็นทางออกเป็นที่จะให้คำตอบคือการไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่ไปออกบวชแล้วก็ไปศึกษาจากนักบวชต่างๆเพราะพวกนักบวชนั้นเขาก็เป็นพวกที่ ต้องการที่จะหาอิสระภาพจากความทุกข์ใจให้ได้ซึ่งเขาก็สามารถที่จะหาได้ในระดับหนึ่งคือเขาสามารถหลบความทุกข์ใจเป็นพักๆได้แต่เขาไม่สามารถที่จะหลบจากความทุกข์ใจได้ตลอดเวลาเพราะ วิธีการที่เขาใช้ในการดับความทุกข์ใจนี้มันดับได้เป็นเพียงชั่วระยะเวลาที่เขาเข้าไปในรูปประชานหรืออรูปประชานนั่นเองเวลาที่เขาเข้าสมาธิกันเวลาจิตสงบนิ่งความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็ไม่ปรากฏเพราะว่าความอยากนี้ไม่สามารถทํางานในขณะที่จิต อยู่ในความสงบได้ความอยากนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อจิตเริ่มคิดจิตเริ่มออกจากความสงบท่านั้นถึงจะสามารถสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่างๆขึ้นมาได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้แบบชั่วคราวไปก่อนแต่ก็ไม่ยังไม่พอใจยังมีความปรารถนาที่อยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปหมดเลยทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิหรือในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิแต่ไม่มีอาจารย์รูปใดในโลกนี้รู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้ ไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับความพัดภาคจากกันไม่ทุกข์กับความที่จะต้องเระเชิญกับสิ่งที่น่าสะพรืงกลัวน่ารังเกียจทั้งหลายยังไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์กับมันได้เมื่อไม่มีใครรู้ใครสอนพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็เลยต้องไป ทำวิจัยด้วยตนเองไปศึกษาไปค้นคว้าหาหาสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรจนในที่สุดก็ได้รับคำตอบว่าก็เกิดจากความอยากทั้งสามข้อนี้เองคือความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเสพรูปประชานและค ว, ความอยากจะเสพอารูปประชานนี้ ถ้าหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้<ม>ใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปและการจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นของไม่เที่ยง<ม>เป็นของชั่วคราว<ม>เช่นการมาคุณห้า<ม>คือลูกเสียงกลิ่นรสผลถ้ า, าชนิดต่างๆ<ม>อันนี้เป็นของชั่วคราว เวลาได้เสพมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรเวลาได้ดูได้ฟังก็เกิดความสุขความเพลิดเพลินใจชั่วคราวพอเวลาที่ไม่ได้เสพความสุขใจที่ได้จากการเสพก็จะหายไปพอมันหายไปมันก็ทำให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย จะรู้สึกเกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยหเหงาตามมาอันนี้ก็คือความทุกข์และบางทีอาจจะเข้าถึงกับความเศร้าโศกเสียใจไนก็ได้ถ้าสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพที่ที่มีความรักมากชอบมากเช่นเวลาสูญเสียคนที่เรารักไปเช่นไม่ว่าจะเป็นปิดามานดาสามีภรรยาหรือบุตรธิดา บุคนที่เรารักเรามีความสุขจากการที่เราได้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของเขาพอเวลาที่เขาจากไปนี้จะทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ต้องเห็นเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยเห็นด้วยวเหตุผลเห็นว่าทําไมเวลาที่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ต้องมีความสุขแล้วทําไมเวลาที่ สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปจึงมีความทุกข์และทํำยังไงที่จะทําให้ไม่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือไม่ก็ทําไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นภาวะของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาและธรรมชาติเป็นผู้ที่ดับมันหรือทําให้มันหมดไปเช่นร่างกายของสัตว์ ของมนุษย์และสัตว์ในระฉาญที่เกิดในโลกนี้เป็นภาวะปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติจะทําให้มันสิ้นสุดลงอันนี้ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนไปยับยั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เป็นเหมือนกับการที่ฝนตกเนี่ยเวลาฝนตกนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่าง และเวลาฝนหยุดมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกอย่างไม่มีใครไปควบคุมไปบังคับไปเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการปรากฏขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี้ล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเรียกการปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ว่าอนัตตาคือไม่มีผู้ไม่มีตัวตน ฝนนี้ไม่มีตัวตนลมพัดนี่ไม่มีตัวตนมาพัดไม่มีตัวตนมาทําให้ฝนตกร่างกายที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีตัวตนที่ทําให้มันเกิดขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้วพอเหตุปัจจัยนั้นมันสิ้นสุดลงสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมามันก็จะดับไปมันก็จะหายไปเนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง ค้นพบด้วยปัญญาของพระองค์เองทรงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการว่าคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพไม่ว่าจะเป็นรูปประชานหรืออรูปประชานล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของถาวรเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยมไม่ถาวรมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อม ได้มีการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นลดได้เรียกว่ามีการเกิดรูปเสียงกลิ่นลดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็มีการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นลดนั้น<ม>เสดไปแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปหมดไปความสุขที่ได้จากการเสดก็หายไปสิ่งที่ตามมาก็คือความเศร้าใจทุกข์ใจเสียใจเช<ม>่<ม>นเดียวกับรูปประชานรูปประชานเวลา ได้รูปฌานก็ได้ความสุขเวลาออกจากรูปฌานมาความสุขนั้นก็หายไปเอารูปฌานก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอ น, นิจจังทั้งสามอย่างนี้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวที่จะต้องหมดไปเมื่อหมดไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความเศร้าความเสียใจเจ้าโศกเสียใจ ให้บองทุกอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนงานเลี้ยงงานเลี้ยงนี้ย่อมมีวันสิ้นสุดนไม่มีงานเลี้ยงไหนที่จะยั่งยืนสถายั่งยืนยาวนานอย่างไม่มีสิ้นสุดจัดงานกี่งานกี่ครั้งกี่หนกี่แห่งที่ไหนก็จัดได้แค่เดี๋ยวเดียวจัดแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ต้องปิดปิดงานเลี้ยงกล่าวคําอําลากันแยกกันไป เวลแยากกันไปก็เกิดความเศร้าใจกันตามมานะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนงานเลี้ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้สัมผัสมันก็ได้ความสุขเวลาสูญเสียมันไปมันก็ได้ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพมันเท่านั้นเองอย่าไปอย่าไปงานเลี้ยงเวลาเขาจัดงานเลี้ยงเชิญไปไม่ต้องไปอยู่บ้านดีกว่า ไม่สุขไม่ทุกข์ดีกว่าดีกลับไปแล้วสุขแล้วพอกลับมาแล้วก็ทุกข์เวลาอยู่บ้านไม่ไม่ทุกข์แต่เวลาเวลาไปแล้วมันจะทุกข์เวลาเวลากลับมามันจะทุกข์ต้องเห็นว่าการไปเสพสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่ต้องการจะเสพนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นปรากฏทางธรรม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถที่จะไปเหนียวรั้งมันไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับได้เมื่อมีเหตุทำให้มันปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อมีเหตุทำให้มันดับมันก็จะดับพระพุทธเจ้าก็เลยได้ทรงตัดสั้นอ๋อความทุกข์ใจนี้มันเกิดที่ความอยากนี่แล้วก็วิธีที่จะ ยับยั้งความอยากหยุดความอยากได้นี้ก็ต้องสร้างพลังให้กับใจวิธีสร้างพลังให้กับใจก็ต้องสร้างด้วยทานศสียงภาวนานี่ทําทำไมต้องทำทานทำไมต้องรักษาสียงทาไมต้องภาวนาก็เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้เช่นทาไมเราต้องทำทาน เพราะว่าเวลาเรามีเงินนี่เรามักจะชอบไปทําตามความอยากกันเรามีเงินปั๊บนี่คิดละวีิว่าไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินไปดื่มอะไรดีไปดูไปฟังอะไรดีอันนี้ความอยากโผล่ขึ้นมานะความอยากในกลามโผล่ขึ้นมานะถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่ามันจะพาให้เราติดเป็นเหมือนยาเสพติดติดแล้วเวลาไม่ได้เสพจะทุกข์ เวลาไม่ได้มีสิ่งที่เราอยากจะเสพมันจะทำให้เราเศร้าสร้อยหเหงาเหงาเราก็เปลี่ยนวิธีเสพความสุขด้วยการแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสพราะเจ้าบอกว่าให้เอาไปเสพบุญแทนบุญก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถซื้อมาเสพได้เอาเงินไปทำบุญทำทาน แล้วเวลาเราทำบุญทาทานแล้วเราจะได้ความสุขที่ไม่ทำให้เราจะต้องเศร้าเพราะมันไม่เสื่อมแล้วมันไม่ทำให้เราติดเวลาเราไม่ได้ทำบุญเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่เหมือนกับเวลาที่เราได้เสบรูปเสียงกดลิ่นรดแล้วเวลาที่ไม่ได้เสบรูป น, นี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดใจนี่คือหน้าที่ของการทำทาน เพื่อตัดความอยากที่จะเอาเงินนี้ไปตอบสนองการมาตัญหาความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเองพอมีเงินเนี่ยก็อยากจะไปซื้อของต่างๆที่ที่อยากได้บางทีของไม่จำเป็นซืด้วยซ้าไปแต่เห็นแล้วอยากได้เพาคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดซื้อมาแล้วมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อย ซื้อสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อสิ่งสิ่งนั้นต่อซื้อของนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อของนั้นต่อบ้านเรานี่มันตึงเต็มไปด้วยข้าวของเต็มไปหมดเวลาเรามีเงินมีทองนี่เราเห็นอะไรอยากจะได้ก็จะซื้อมาทันทีเพราะเวลาซื้อแล้วมันรู้สึกมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นความสุขที่ได้จากการซื้อของชิ้นนั้นมันก็หมดไป ของชี้นนั้นน่าจะอยู่กับเรามันก็ไม่ได้ให้ความสุขเหมือนกับตอนที่เราซื้อมันมาใหม่ๆเราอยากจะได้ความสุขแบบตอนที่เราได้ซื้อมาใหม่ๆเราก็ต้องไปซื้อของใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรถคันใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆเวลาซื้อของใหม่แล้วมันรู้สึกว่ามันสุขของเก่าที่มีอยู่แล้วมันเคยให้ความสุขแต่มันเดี๋ยวนี้มันไม่ให้ความสุขเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเช่า นี่แหละคือปัญหาของการใช้เงินทองไปซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพการใช้เงินทองไปซื้อของจําเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นการเสพกามเป็นการไปซื้ออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเป็นของจําเป็นแต่มันต้องไม่เป็นของที่หรูหรา ไม่ต้องเป็นของที่จะกระตุ้นความอยากทางรูปเสียง ก, กลิ่นรสไปด้วยซื้อของแบบเรียบง่ายมาใช้มากินมาอยู่อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสมถะอยู่แบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเหเหมไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยใช้ตามเหตุตามปัจจัยนี่คือหน้าที่เงินทรงที่จะไม่ทำให้เกิดโทษกับจิตใจ พราะการเสพบริโภคปัจจัยสี่เพื่อให้น้ำกายอยู่ได้นี้ไมไ่ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่ถ้าไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยของที่หรูหรามันก็จะเรียกว่าเป็นการเสพตามได้อย่างนั้นเหมือนกันยงถึงแม้ว่าจะซื้อของจำเป็นก็ต้องระวังว่าอย่าให้มันเกินเหตุเกินผลอย่าให้มันเกินความจำเป็น เช่นอาหารมื้อละห้าห้าสิบบาทกับมื้อละห้าร้อยบาทมันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันถ้าไปซื้ออาหารแพงๆนี่มันก็ถือว่าเป็นการเสพกามนะเพราะว่าอาหารแพงๆเขามักจะมีะบรรยากาศให้เสพด้วยเช่นไปเสพในร้านหรูหราในร้านโรงแรมอะไรต่างๆเหล่านี้อาหารที่เขาจัดมาก็าจัดมาอย่างหรูหราอย่างสวยงาม เห็นแล้วก็น้ำลายหกเนี่ยอันนี้แหละเป็นการเสพกรารผ่านการเสพปัจจัยสี่เราต้องระวังต้องรู้จักแยกแยะว่าเราซื้อปัจจัยสี่มาเพื่อร่างกายไม่ซื้อปัจจัยสี่มาเพื่อกา ม, มาตัณหาเพื่อตอบสนองกามความอยากของเราถ้าเราซื้อของหรูหราของไม่จําเป็นถือว่าเรากำลังไปซื้อของตอบสนองตัณหาความอยากที่จะทาให้เราติด แล้วจะทำให้เราทุก์เวลาที่เราไม่สามารถที่จะเวลาอยากได้แล้วไม่สามารถที่จะซื้อมันมามาได้เพราะเงินทองที่เรามีอยู่มันก็ต้องมีวันที่จะต้องพองต้องหมดลงไปถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหาเงินใหม่มาเติมเวลาที่เงินทองขาดแคลนเมื่อไหร่ตอนนั้นก็จะเห็นความทุกข์ใจปรากฏขึ้นมาจากปัญหาของการใช้เงินแบบฟุ่งเฟอเเหิ ใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลใช้ตามความอยากของกามาตันานาอันนี้ให้เอาเงินทองที่เอาไปใช้กับกามาตันานานี้เอาไปทําบุญเอาไปทําบุญทําทานเวลาได้ทําบุญทำทานนี้มันก็เกิดความสุขอีกรูปแบบเกิดความสุขที่ชนะการการกระทําตามความอยากนั่น ก็เป็นการลดความอยากให้น้อยลงไปเป็นการละความอยากการละความอยากนี่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาทําตามความอยากมันได้ความสุขแต่ไม่ใช่เป็นความสุขใจมันเป็นความสุขทางเวทนาซึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราอยากได้แต่การเอาเงินไปทาบุญทาทานนี่เราไม่ได้อะไร เราไม่ได้เสพการเราละ ก, การเสพการลงไปตัดความอยากที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่หรือซื้อรถยนต์คันใหม่รถยนต์คันเก่าก็ยังใช้ได้ดีอยูหอ่หรือเลือกซื้อรถยนต์ที่ไม่มีราคาแพงเกินไปแทนที่จะเอาเงินถ้าต้องจำเป็นจะต้องซื้อรถยนต์แทนที่ซื้อรถราคาแพงๆก็ซื้อรถราคาถูกๆก็ได้รถที่สามารถทาหน้าที่ได้เหมือนกัน เพราะรถก็มีไว้สำหรับเป็นพาหานะพาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจะซื้อรถราคาแพงๆมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับรถที่ราคาถูกๆแต่ ถ, ถ้าเราซื้อของถูกแล้วเรายังมีเงินเหลือเราก็เอาเงินเหลือนียที่จะไปซื้อรถแพงๆนี้เอาไปทำบุญได้เอาไปละความอยากได้แล้วต่อไปเราจะไม่ได้อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆ ความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องคอยหาเงินหาทองมาซื้อของหรูหราของแพงๆนี้มันก็จะหมดไปจะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้อันนี้คือเรื่องของการทำทานเป็นการลากความอยากในระดับหนึ่งและความอยากที่จะซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ หรือเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่าไปเที่ยวที่แหล่งบันเทิงก็ดีไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีทั้งในแต่ประเทศทั้งต่างประเทศการเที่ยวแบบนี้เรียกว่าเป็นการตอบสนองกามตัญหาเป็นการทําตามกามตาตัญหาเป็นการผูกความผูกพันให้ติดอยู่กับการเสพกามนั่นเองมันจะทำให้เราต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆเคยเที่ยวหวนเดียวแล้วพอไหมไม่พอหรอก พอเที ficar, ่ยวปั๊บเดี them, ๋ยวคังต่อไปก็อยากจะไปเที่ยวอีกนะเที่ยวตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็มีเที่ยวเที่ยวใหม่ซื้อของซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวก็มีกระเป๋าใบใหม่มาล่อใจซื้อรองเท้าคู่นี้แล้วเดี๋ยวก็มีรองเท้าคู่ใหม่มาล่อใจถ้าซื้อตามความอยากแล้วเดี๋ยวจะมีรองเท้าเป็นร้อยคู่มีกระเป๋าเป็นร้อยใบในบ้านแต่ถ้าซื้อด้วยเหตุด้วยผลนี่จะมีใบเดียวจะมีคู่เดียวเพราะอะไรเพราะเท้าเราก็มีคู่เดียวไม่ใช่ เวลาเราใสา่รองเท้าเราก็ใส่ทีละคู่ในชะ่ไหมไมต้องมีต้องร้อยคู่มีเป็นสิบสิบคู่ไปมีไว้ทําไมเราใช้เหตุถ้าเราใช้เหตุใช้ผลนี่เราจะมีของแค่เท่าที่จําเป็น น, นะมีรองเท้าไว้รองเท้าก็มีเท้าคู่เดียวรองเท้าคู่เดียวก็ทําหน้าที่ได้มีกระเป๋าไว้ใส่ของก็เราก็ใช้กระเป๋าทีละใบไม่ใช่หรอเราไปไหนเราแบกกระเป๋าสิบใบไปหรือเปล่าไปอวดชาวบ้านเล่าฉันมีกระเป๋าสิบใบ ไม่มเราก็เอาไปแค่ใบเดียวแล้วเราต้มีกระเป๋าไวสิบใบทำไมถ้าเราใช้เงินซื้อของด้วยเหตุด้วยผลนี้เราจะไม่มีของมากเราจะมีของเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอันนี้แหละเป็นมาตรการที่เราจะละความอยากในกามได้กามตันหาที่เกี่ยวกับการใช้เงินทองเอาเงินทองที่จะไปตอบสนองกามตันหานี้เอาไปทําบุญให้หมด หรือถ้าจาเป็นก็เก็บไว้สารองไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายในอนาคตก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราอาจจะตกงานหรือเศรษฐกิจอาจจะตกตำ่ำหรือเราอาจจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเจ็บ่า้ได้ป่วยเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเหล่านี้เอาเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้เป็นการรักษาร่างกายของเราต่อไปในอนาคต แต่ยาวไปใช้กับความอยากกามาตัญหาท่านเองนี่คือหน้าที่ของการมีเงินมีทองการใช้เงินใช้ทองที่ถูกต้องที่จะไม่ทำให้เป็นการไปเสพติดที่จะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามะพุอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้ทุกครั้งที่เราทำตามกามาตัญหาความอยากในกามนี้มันจะเป็นการเพิ่มความความ การเวียนว่ายตายเกิดของเราในการมาพบให้มีมากขึ้นเหมือนกับการผ่อนส่งกามาพบซื้อกามาพบใหม่ทุกครั้งที่เราใช้เงินด้วยด้วยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันแสดงว่าเราก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำให้การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบนี้มีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราอยากจะยุตกิการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมมาพบนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้เ <reasoning. S 1> ช่น <libro. S 1> พวกที่เขาเห็นโทษของการมาพบเขาก็เปลี่ยนไปเสพรูปประชานอรูปประชานแทน <istle. S 2> พวกที่ไปเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชเขาก็ไปเสพรูปประชานเอรูปประชานเขาก็จะไม่ติดในการมมาพบแต่เขาก็ไปติดในรูปรรประชานอรูปประชานเขาก็ยังต้องกลับมาเกิด ในรูปรูปะพบอารูปะพบอยู่แต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเสพมันทั้งสามอย่างเลยกามก็ไม่ต้องเสพ ร, รูปประชานก็ไม่ต้องเสพอารูปประชานก็ไม่ต้องเสพแต่ในเบื้องต้นนี้วิธีการที่เราจะละรูปประชานได้้ละกามความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้เราต้องาอาศัยสมาธิ เราต้องอาศัยความสุขของรูปฌปานอารูปฌานมาทําหน้าที่ทดแทนก่อนเพราะว่าคนเรานี้ใจนี้จะอยู่โดยที่ไม่มีความสุขไม่ได้ใจมันจะดิ้นรนหาความสุขอยู่เรื่อยๆถ้าไม่หาความสุขทางการ ม, มันก็ต้องไปหาความสุขทางทางรูปฌปานหรืออรูปฌปานอย่างนั้นถ้าเราอยากจะละความสุขทางการเราก็ต้องมีความสุขทางรูปฌานหรืออรูปฌานมารองรับไว้ก่อน นี่ที่ที่มาทำไมเราถึงต้องมาบวชมาถือศีลกันมานั่งสมาธิกันเพราะว่าทอเรานั่งสมาธิเข้าฌานได้เราจะมีความสุขแล้วความอยากที่จะเสพรูปกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะเบาลงไปหรือหมดไปเลยก็ได้เพราะเรามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าแต่เมื่อเราละ ก, กามได้แล้วโดยการใช้รูปฌปานเลือกรูปฌาน ขั้นต่อไปเราก็ต้องมาละการติดในรูปฌปานหรืออรูปฌานด้วยเพราะรูปฌานอรูปฌานก็เป็นตายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบงังคับไปสั่งมันได้ตลอดเวลา เ, เวลาที่เราอยากเข้าฌานบางทีก็เข้าไม่ได้ก็มีเวลาเข้าไม่ได้ก็จะทาให้เราทุกข์ใจได้ ดน้นถึงเมื่อเราเลิกการการได้แล้วเลิกความอยากในการได้แล้วถ้าเรามาติดรูปฌปานเราก็ต้องเลิกมันเลิกมันด้วยการเห็นโทษของมันว่ามันเป็นตายรักษมันจะทําให้เราทุกข์และยังจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดในตายภพต่อไปอันนี้ต้องมีปัญญาต้องใช้ปัญญาเห็นเห็นตายรักเห็นทุกข์ในเห็นทุกข์ในรูปฌปานหรือในอารูปฌานก็จะละได้ พอรอดได้แล้วความอยากที่จะเข้าฌานมันหายไปพอความอยากที่จะเข้าฌานหายไปนี้ใจก็สงบนิ่งเยน็นสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรอันนี้แหละคือความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงของใจความสุขที่ได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปกำจัดกามกา ม, มาตัณหาด้วยการเปลี่ยนมา มาเสพรูปประชานหรืออรูปประชานพอละกามาตัญหาได้แล้วก็มาละภาวะตัญหาหรือวิภาวะตัญหาคือความอยากจะเสพรูปประชานหรืออรูปประชานต่อด้วยการเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันให้มันให้ความสงบกับเราได้ตลอดเวลาพอเห็นมันเป็นตายรักก็จะละได้ละ ความอยากเสบรูปประชานได้ละความอยากจะเสบรูปประชานได้พอละได้แล้วความอยากที่เคยสร้างความทุกข์สร้างความาวุ่นวายใจมันก็จะหายไปหมดใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามนี้ก็เป็นใจที่นิ่งสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอีกต่อไปอใจมันนิ่งในขณะที่มันมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่มีความอยากมันเฉย เห็นรูปได้ยินเสียงก็เฉยเฉยไม่หิวไม่โหยไว้กับมันไม่หิวไม่โหยกับรูปประชาญไม่หิวไม่โหยกับเอรูปประชาญเพราะความอยากเสพสิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากใจแต่ก็ยังสามารถรับรู้สัมผัสกับมันได้แต่ไม่มีความรู้สึกกระสับกระส่ายกังวลกระวายเหมือนคนที่ยังติดอยู่คนที่ติดอะไรนี่พอเห็นปั๊บนี้ใจจะกะงวนกระวายกระสับกระส่าย เห็นของที่ชอบนี่พอเห็นแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีความอยากได้เห็นของที่ชอบก็เฉยเฉยไม่เคยไม่ไม่มีความรู้สึกว่าจะจะต้องเอามาให้ได้จะต้องมีให้ได้เพราะความอยากมันได้ถูกกาจัดไปด้วยปัญญาพอรู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์นี่แหละคือธุระที่พูดเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับชาวพุทธเราให้มาก็ทากัน ในเวลาที่เรามีเวลาว่างเช่นวันหยุดทำงานเป็นต้นเป็นการเริ่มต้นแต่ต่อไปเมื่อเราได้เริ่มทำงานนี้แล้วเราจะเห็นคุณค่าของการทำงานเห็นการเห็นความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจของเรานี้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตามตามปริมาณของการปฏิบัติของเราก็จะทำให้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มการปฏิบัติ นอกจากวันหยุดแล้วเราก็รอวันหยุดพิเศษวันไหนที่มีวันหยุดพิเศษแทนที่จะไปเที่ยวกันก็เอาไปวัดไปไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมกันแล้วถ้าทําไปเรื่อยๆมันจะม่เห็นว่ามันมีความสุขมากจากการปฏิบัติมันก็จะอยากปฏิบัติไปตลอดเลยตอนนั้นก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต จากการเป็นผู้ครองเรือนมาอยู่แบบนักบวชได้แล้วก็จะปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าปฏิบัติได้เต็มที่ก็จะสามารถละความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติไม่เต็มที่นี่ก็จะละไม่ได้อย่างเต็มที่ในที่สุดก็จะต้องออกบวชกันถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยแล้วก็จะได้จริงๆด้วย ถ้ า, ถ, าถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องได้อย่างแน่นอนตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนนี้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจเดือนไม่เจดเดือนก็ต้องเจ็ดปีเป็นอย่างมากการปฏิบัติการทํำวิปัสสนาธุรานี้ให้ปรากฏขึ้นมาให้สําเร็จนี้สามารถทําได้ในภพนี้ชาตินี้เพราะเรามีผู้ที่ได้รู้วิธีน่ามาสอนมาบอกเราแล้ว แต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้จักวิธีเราจะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง<ม>เพราะความความรู้ความฉลาดของเรานี้ไม่อยู่ในระดับที่สามารถที่จะเข้าถึงอริยสัจของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้น<ม>แต่พวกเราโชคดีที่เราได้มาเจอในยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนานมียุคของคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ มียุคที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันและอะไรเป็นตัวที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทําตามที่พรธเจ้าทรงสอนเราก็จะสามารถที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่ทาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากทั้งสามกรารม ต, ตันหาความอยากเสพกามภาะวะตันหาความอยากเสพรูปฌาน วิภาวะตัณหาความอยากจะเซอรูปประชานและเครื่องมือที่จะทำให้เราละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานเองอย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายแต่เกิดเราก็ต้องมาศึกษามาทำคันถธทุระ ว่าเราต้องทำอะไรบ้างศึกษาทานศึกษาศีลศึกษาภาวนาว่าทำทานทำอย่างไรรักษาศีลรักษาอย่างไรภาวนาภาวนาอย่างไรพอเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติไปทำให้มันแจ้งให้มันปรากฏขึ้นมาให้เรามีให้เรามีความสามารถที่จะทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้พอเราทาทาน ศีลภาวนาได้เราก็จะละความอยากทั้งสามได้พอละความอยากทั้งสามได้วิมุตติการหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราทันทีหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาทําทุระ ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้กับพวกเราชาวพุทธมากระทํากันในวันที่เรามีเวลาว่างเช่นวันนี้คือมาศึกษา วิธีการดับความทุกข์แล้วก็เอาวิธีการที่เราได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติศึกษาก็เรียกว่าคันธุระนำเอาวิธีที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติก็เรียกว่าวิปัสนาธุระถ้าเราทําธุระทั้งสองนี้ได้ครบสมบูรณ์วิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวอิโตทินางเปตานาังอุปกปติยิชีตังปัติตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิจติอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จตารุธรรมวาทันตีอายุวันสุขาาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครที่ยังไม่ได้ถวายของอยากจะถวายของตอนนี้ก็ยังถวายได้อยู่้ามาเลยก็ได้ก็ามาถวายเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่สะดวก ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็เป็นช่วงที่ถามได้ในตอนนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้ามีอะไรจะถามก็เข้ามาถามเอนก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือจะส่งเข้ามาทางเพจทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ระเวียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนาคุดจากเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ489ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์304ย o u t u b e อกเรวี83วิทยูออนไลน์3คลับเฮาสิ11นาคุด120รวมทั้งหมด110ท่านค่ะ okay. ใครอยากจะถามอะไรก็ เข้ามาถามได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนมีใครทางบ้านไหมค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะภาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นเกี่ยวข้องกับความพอใจในรู ป, ปรชาญอย่างไรคะวิภาวะตัญหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกี่ยวข้องกับความพอใจในอารมปประชาญอย่างไรคะ ก็เวลามันไม่มีอะไรก็มันก็อยากมันสบายไงอยู่กับความไม่มีความว่างไม่มีอะไรก็เรียกว่ารูปประชานถ้ายังอยากจะมีความสุขกับสิ่งที่มีก็ก็อยู่กับรูปประชานไปค่ะคําคถามสักทาง y o u ูทูบค่ะถ้าผมแยกรูป ถ้าผมแยกรูปนามได้แล้วจิตเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากการปรุงแต่งอยู่ใต้ไตรรักษ์กระผมควรปรุงแต่งอย่างไรให้กุศลเจริญยิ่งขึ้นไปครับ อ, อ๋อพยายามลาบความอยากสัตัวนี้รู้อะไรก็รู้แล้วถ้าไม่เอามาทําให้มันลาบความอยากความรู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรความรู้ทั้งหมดนี้รู้เพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มีลูกก็ทุกข์กับลูกมีสามีก็ทุกข์กับสามี มีภรรยาก็ทุกข์กับภรรยามีเงินทองก็ทุกข์กับเงินทองไม่มีเลยดีกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ทุกข์ค่ะคำถามจากคุณชิดชัยค่ะกลับเรีมสอบถามพระอาจารย์ถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสัยถ้าเราตายไปกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะทำบุญถือศีลปฏิบัติเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะไม่ไปทาบาปใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าการถือสินของเรานี่บางทีมันก็ถือได้บางทีก็ถือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะเหตุการณ์รอบตัวเราบางทีไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ดีบคันมันก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถรักษาสินก็ได้แต่ถ้าพูดโดยทำภาวะปกติถ้าเราเคยทำอะไรมาเราก็มักจะทำอย่างนั้นต่อไปค่ะ คำถามสักคุณนิทัศน์เมื่อเดินทางไปสถานที่หนึ่งมีความคิดในอดีตผุดขึ้นมาเช่นพ่อแม่เคยพามาเที่ยวตอนเล็กคำถามคือให้คิดพิจารณาน้อมใจในเรื่องทำโดยใช่ไหมครับเช่นมันเป็นอดีตหลายคนก็จากไปแล้วพิจารณาในจบพิจารณาให้จบอย่างนี้ในทุกๆเรื่องทํานองนี้ใช่ไหมครับอยากคิดเลยได้ยิ่งดีให้มาอยู่ในปัจจุบันใช้พุโทโธพุทโธหยุดความคิดต่างๆ คิดไปแล้วมันก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราดังนั้นพระเจ้าจึงสอนว่าให้ใช้คิดคิดแต่พุโทโธพุโทโธดีที่สุดคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะ่ะไม่มีคำถามความคิดของเรานี่ คิดไปอดีตก็เศร้าคิดไปอนาคตก็กลัวถ้าไม่คิดมันก็ไม่เศร้ามันก็ไม่กลัวฉะนั้นพยายามหยุดความคิดดีกว่าเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ความคิดต่างๆเหล่านี้ให้คิดไปในทางธรรมะคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้ทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเรา เราเกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรมากับเราไม่ได้เอาพ่อแม่คนเก่ามาไม่ได้เอาพี่เอาน้องคนเก่ามาเราก็มาได้พ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่อย่าเดีวเวลาเราไปเราก็ต้องทิ้งพ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่ไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้แม้สักอย่างเดียวคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรอยากได้แล้วมันจะทุกเวลาต้องพัดพากจากกันถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ ไม่มีการพัดพากจากกันคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะดีกว่าเราจะทำให้ใจเราลากความอยากต่างๆได้มีอะไรไหมยังไม่ยังไม่มีคาถามค่ะไม่มีนะโอเคงี้ก็ถ้าถ้ารู้ว่าละถ้ารู้ว่าต้องพัดพากจากกันแต่ยังเศร้าอยู่ก็ต้องไปทำสมาธิ ถึงแม้จะรู้แต่ใจยังไม่ยอมรับความจริงยังยังอยากจะไม่จากกันอยู่แต่ความจริงมันบอกว่าจะต้องจากกันแต่ใจคือกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลยังอยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆไม่ให้จากกันในวิธีจะทำให้เราไม่ทุกเวลาที่เราจากกันก็คือต้องต้องต้องหยุดกิเลต้องทำใจให้สงบไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทาใจให้นิ่ง เวลาใจนิ่งแล้วกิเลสก็จะทำงานไม่ได้พอกิเลสไม่ทำงานเวลาจากกันก็เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่ากิเลสตัวที่ทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจมันทำงานไม่ได้เพราะเรามีสติมีสมาธิคอยคุมมันเวลาใดที่เรามีความเศร้ามีความไม่สบายใจให้รีบท่องพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเศร้ายิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าใหญ่ให้พุโทโธพุทโธไปจกนกระทั่งลืมเรื่องที่เราเศร้าไป<ม>พอลืมแล้วใจก็จะหายเศร้า<ม>ถ้ายังไม่หายเศร้าก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยว<ม>ใจก็จะนิ่งนิ่งอธิใจก็จะเฉย<ม>ใครจะมาใครจะไปก็ห้ามเขาไม่ได้ไล่เขาไปไม่ได้เ<ม>ขาจะมาก็ไล่เขาไปไม่ได้ เขาจะไปจะดึงเขาไว้เขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาก็าจะมาก็าปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปถ้าใจเรานิ่งแล้วใจเราจะเฉยๆกับการมากับการไปของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆนี่คือประโยชน์ของการทําสมาธิสมาธิทําให้เราหยุดความอยากได้แต่ปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เราต้องหยุดอะไรที่ไม่ต้องหยุดสิ่งที่เราต้องหยุดก็คือความอยาก แต่สิ่งที่ทีดีก็ทำได้เช่นทำบุญนักษาศีลปฏิบัติธรรมทำได้ทำไปแต่อย่าไปอยากดั่งอยากรวยอยากมีอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นสอสออยากเป็นนายกตรงนี้กำลังไปหาความทุกข์เรยไม่รู้สึกตัวค่ะคำถามจากคุณนพวรรณค่ะ เวลาลูกทําให้เรากโกรธเราควรจะทําอย่างไรคะถึงจะไม่ทะเลาะกับลูกเจ้าค่ะก็อย่าไปถือษาเสถือว่าเขาเป็นเหมือนสุนัข ก, ก็แล้วกันเพราะเขาไม่ไม่รู้เรียงสาเขาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอะไรเหมือนกับสุนัขเ่ยเราสอนสุนัขอย่างมากวิธีอสอนมันก็ตีมันบ้างให้มันรู้เวลามันทําไม่ดีก็ตีมันแค้นหน่อยแต่อย่าไปตีแบบโหดร้ายทารุณอย่าไปตีแบบโกรธเกลียดชังอะไร แต่กีตีเพื่อสอนนะเป็นการลงโทษเพราะบางทีพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องต้องใช้ภาษาหมาคำถามจากคุณพินค่ะเรียนถามค่ะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพ อ, พอคำบริกรรมหายไปทำอย่างไรคาสาธุค่ะก็ดึงมันกลับมาใหม่สิแสดงว่าเราขี้เกียจนะเราหยุดนะพอมันหายก็พุทโธขึ้นมาใหม่ก็พุทโธพุทโธขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณคำถามจาก u t u b e ค่ะถ้าเรารักษาศีลโดยไม่เบียดเบียนผู้โดยไม่เบียดเบียนต น, ตนเองและผู้อื่นได้ไหมครับอ้ามันจะไปเบียดเบียนใครละ่ะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ฆ่าตัวเราเองเราไม่ไปฆ่าคนอื่นมันก็ไม่เบียดเบียนเรตัวเราฆ่าตัวตายนี่ก็เบียดเบียนตัวเราอย่าไปฆ่าตัวตายบาป ตกนรกเหมือนกันฆ่าคนอื่นก็ตกนรกฆ่าตัวเองก็ตกนรกนี่ยฆ่าไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาตัวที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ร่างกายตัวที่ทําให้เราทุกข์คือกิเลสให้ไปฆากิเลสฆากิเลสนี้ไม่ไปตนรกไปนิพพานแทนรับประกันได้อย่างองค์คุณลิมาลไปฆ่าคนพระพุทธเจ้าก็มาสอนองค์คุณลิมาลเธอกําลังไปนรกถ้าเธอไม่ต้องการไปนรกเธอต้องไปฆากิเลส องขึ้นมาเลยไปฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสหมดก็เลยเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานแท น, นการฆ่ากิเลสได้ดีที่สุดไม่เบียดเบียนใครยังไม่มีค่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านที่จะถวายของก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาต่อนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้พรก่อน ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ